เสียงไหม <c oughs> หแต่เสียงไม่ดีนะยังหูฟังนะไม่ใช่ฟังเพลงฟังเสียงสองสนเพื่อให้เป็นส่วนประกอบกับการศึกษาปฏิบัติธรรมในขณะนี้ พวกเราก็ลังมาปฏิบัติกันอยู่ได้ได้ยินได้ฟังเอาไว้ด้จักรทิฏฐานเหมือนเราจะทำอะไรต้องมีเป้าหมายให้มันชัดลงไปโดยเฉพาะพวกเราเป็นเจ้าหน้าที่ของสาาณสุข าการจำนวนมากเช่นนี้ก็ควรที่จะศึกษาเรื่องกรรมาฐานกันเพราะเป็นฐานของชีวิตของมนุษย์เราเป็นสิ่งที่ทันสมัยที่สุดเลยของการศึกษาของชีวิต เพราะมีความหลงก็มีความรู้ทันทีฐานอยู่ตรงนี้ต้องตั้งต้นให้ได้ถ้าไม่ตั้งต้นี่ฐานให้ได้มันกม็มีที่ปักที่หลักเหมือนจกลอยในน้ำไหลไปไหลมามันไม่มีฐาน ชีวิตของเราเป็นเช่นนั้นไม่ได้มีหน้าที่เป็นพ่อคนแม่คนเป็นพระเป็นสงเป็นนักปวดเป็นแม่ชีเป็นหมอสอนนายศึกเ่งมีงานมีการรับผิดชอบสงสดต่อชีวิตมนุษย์ทั้งหลาย เราก็ต้องมีที่ตั้งเอาไว้เรียกว่าวิชากรรมฐานที่ตั้งแห่การกระทาของชีวิตเราให้มันหนักแน่นมันมีอะไรไม่มากแม้มันมีบ้างแปดหมืนสี่พันอย่างอยู่ในกายในใจของคนเราเนี้ย มันไม่ถึงกับว่าจะศึกษาไม่ได้เก็ดมือนสี่พันอย่างเกี่ยวกับกายกับใจเนี่ยมันต้องต้นจากที่ไหนบ้างมันมีสองทาาอันหนึ่งความหลงอันหนึ่งความรู้ความหลงก็ไปพาไปทางหนึ่ง คมรูกก็พาไปอีกทางหนึ่งเหตุมันอยู่ที่นี่เราหลงไปกับความหลงเราหลงไปกับความรู้ก็มีเหมือนกันต้องมาเห็นทั้งสองอย่างถ้ามีหลงมีรู้ก็มีสุขมีทุกข์มีเกิดมีแจ็มีเจ็บมีตายไปเรื่อยไปไปไกล เราเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะเรื่องที่มันเกิดขึ้นก็ามันหลงก็น้ำตาล่วงเสียใจเป็นทุกข์ตามลูกหัวล้ดีใจเป็นสุขจังเเหลือชีวิตของเราให้สุขให้ทุกข์มันซัดพาไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างนั้นเหลือไม่ได้ชีวิตรเราไม่ใช่อยู่วันเดียวมีหลายวัน เกี่ยวข้องกับอะไรมากมายเราจึงต้องศึกษากันนี่ว่ากรรมาฐานเป็นวิชาที่ทันสมัยเนี่ยมาทำตรงนี้กันเอาเลยตาต่อตาฝันต่อฟันไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่มันเห็นมันหลงมีจิทธิเปลี่ยนหลงเป็นรู้ได้ ใช้สิทธิของตนเองให้ทันทีเมื่อเหือนทุกเปลี่ยนทุกเป็นรู้นะสิทธิของเราเมื่อเหมืนโกรธเปลี่ยนโกรธเป็นรู้สิทธิของเราทันเวลาทันสมัยเหมือนตอนนั่งหลายเป็นหมอสนสุกร์เปรี้สัดไม่ีปัญหาหลไรเกิดขึ้นมาใช่ส่วน เกี่ยวข้องรักษาโรคไขไข้เจ็บน้องตาเป็นโรคมาเลงก้อเนื้อโตเร็วตอนคอหายใจไม่ออกหมอบอกว่าให้เจมโมตัวใหม่เข้าไปเพื่อสกัดข้อเนื้อโตเร็วให้มายุบหลงไปก้าพระเจ้าไปฏิเพวิธีการรักษาอื่นใดทั้งสิน้น ให้ขีดเจมอให้หลงพ่อโดยด่วนนั่นมันตรงกันข้ามมันก็ไปสกัดก้อน้่าเดร็มคอให้หายใจได้มานั่งพูดอยูนี้ได้อ่าเนี่ยมันตรงกันข้ามนะมันมีอย่างนี้ในโลกเนี่ยนี้ของตรงกันข้ามเมื่อมีเกิดก็ต้องมีไม่เกิดเมื่อมีแฉ่ต้องมีไม่แจ่ เมื่อมีเจ็บต้องหมีไม่เจ็บเมื่อมีตายต้องมีไม่ตายแล้วคนในโลกนี้มนุษย์ในโลกนี้ปล่อยรับบาปรับกรรมถ้ามันเจ็บเจ็บตายก็ร้องไห้เสียใจพัดภาคจะของรักขอ ง, ของชอบใจเป็นทุกข์เทวะเถอะเสียหักเสียใจไม่ได้คอยล่อรับตำรับเวนไปเช่นนั้นไม่ได้ต้องเป็นตรงกันข้าม เริ่มต้นตั้งแต่เวลามันหลงเนี่ยเปลี่ยนหลงเป็นลู่เนี่ยให้มันลาดไปงั้นทางขึ้นเขาโค้งที่พวกเราขึ้นมาถึงเนี่ยมันยอดเขานะเนี่ยไม่ใช่พื้นลาบนะมันขึ้นมาสูงจนอากาศเปลี่ยนไปหนาวนิดหน่อยหรือดูหนาวอาานัดจะหนาวมากกว่าข้างล่างด้วยซ่อมไป ถึงกบอบศูนยลบหกองศาก็ไยนี่ <c oughs> <c oughs> ee, ชีวิตของเราต้องลาดขึ้นปานไปเวลามันหลงเปลี่ยนหลงเป็นรู้ลาดติ้นหน่อยแล้วใม่เป็นฝั่งเคลียร์ลงมาหน่อยเถมันหลงรูปขึ้นมาเนี่ยเริ่มต้นไปจากที่ น, นี่ไปไม่มีทางโย ไม่ตันนะตรงนี้มันหลงเพื่อรู้นะไม่ใช่หลงเพื่อหลงนะเป็นอย่างนี้ความถูกต้องความหลงไม่ถูกต้องความรู้สึกตัวถูกต้องเป็นถามใครตอบเราตอบเองเราเห็นเองเป็นปัจจัตตังอย่างเนี้เรียกว่าสัจจะความเป็นจริงนะมันมีูตรเพราะสีริธรรม ต่อมาก่อนก็เป็นสามัาชนไปศึกษาเรื่องนี้เข้าก็เจอหลายอย่างเจอปัญหาหลายอย่างแก้ปัญหาได้หลายอย่างเป็นเปาะเป็นเปาะไปอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษมันเปลี่ยนไปได้เรียกว่าปัจจตังปฏิบัติได้ให้ผลได้ ไม่จำกัดการชวนให้ทำเมื่อเรามนหลงขยันรู้เนี่ยมันไม่เกยดข้านตรงนดนะ้ถ้าจะเป็นมนุษย์ยกฐานะขึ้นจากความเป็นคนมาเป็นมนุษย์ให้มันสูงขึ้นมาหน่อยนะถ้ามันหลงเนี่ยมันเป็นคนคมุมร้ายคุมดีไม่ได้ไม่ปลอดภัย ให้ความสุกความทุกข์คิดวไปถ้าไปถึงไหนมันก็ไม่จริงอ่ะความหลงไม่จริงอ่ะความรู้จักตวัวมันจริงกว่าอย่างนี้เป็นนายถ้าเราหลงความหลงเป็นนายเราเราเป็นท่าของความหลง เกิดมาถึงวันนี้อยู่ในสถานะแบบไหนอยู่ในภาพความหลงอยู่ในสภาพความรู้ดูเอาไม่มีใครเห็นตัวเราถ้ากัาตัวเราเนี่ยมาลืมตาตรงนี้ขึ้นมาเรียกว่าศึกษาให้เห็นแจ้งอริยเจ้าบอกว่ า, วาของที่ปิดเปิดออกแล้วของที่พิ่มหมายขึ้นแล้ว ของที่เป็นส่วนชิริ่วเฉือนอกหมดแล้วประกาศกล้องแล้วประกาศเชโนประกาศกล้องแล้วได้ยินไหมเกิดมาในโลกเนี่ยมันมีก่อนเราแล้วเรื่องอย่างเนี้ยนะคัตั้งแต่วันปณิพนนของผู้เจ้าผู้ที่รู้เรื่องนี้มาเป็นศาสนาประจำประเทศไทยเรา ไม่ใช่วันสองวันนี้สองวันห้ารอยห้าสิบสองปีแล้วนานเท่าไหร่มีใครศึกษาแล้วนี่จริงๆแล้วก็ตัวเราในวิทยฐานะแบบไหนจะเลื่อนฐานะบ้างหรือเปล่าจะเป็นคนอยู่มันคุ้มร้อยคุ้มดีไม่ปวดภัยโปนเปนกันไปหมด ของที่รักกลายเป็นของที่เกลียดชังของที่เกลียดชังกลายเป็นของที่รักความสุขของเราอาจจะเป็นความทุกข์ของคนอื่นแล้วก็วุ่นวายอยู่ในโลกไม่จบไม่สิน้นถ้าทุกคนมาเริ่มต้นด้วยกันตรงนี้มันอันเดียวกันเช่นเรามีสติเนี่ยเวลานี้เราอยู่นี่เป็นร้อยคนอย่างน้อย โอยกว่าถ้าเรามีสติมันก็เป็นคนคนเดียวกันถ้าเรามีความหลงก็ไปนคนแล้วคนไปเดี๋ยวเราก็ไปพึ่งกันนะแต่พึ่งคนที่หลงหรอมันจะเป็นประการได้เอาไปห้อยไปเขียนไ้กับคนอื่นไปเขียนไ้กับสิ่งอื่น อ, อกหักเสียใจมามากต่อมากแล้วต่า <c oughs> งคนต่างหลงมันก็ไปไกลเหลือเกินแต่เรามาลู่จากตัวจะเป็นคนคนเดียวกันเป็นคนคนเดียวกันทันทีเดี๋ยวนี้ทันทีเรียกว่าอัศจร์คําสอนของพระเจ้าเป็นอัศจรผู้ปฏิบัติย่อมรู้ยิ่งเห็นจริง ในธรามที่ควรู้คนเห็นจึงได้ไม่รู้รู้แล้วจึงได้ไม่แจ้งทำไมแจ้งแล้วรู้แล้วว่าหลงเป็นอย่างนี้รู้เป็นอย่างนี้เนี่ยก็สามผลสเอาอย่าไปเชื่อใครที่นี่ก็มีคนพูดมีหลวงพ่อเราพูดหนึง่งมีอาจารย์หลายรูปอยู่เนี่ย กำลังจะไปเผยแพร่ทั่วไปอีกวันพวกนี้ก็จะไปกันสอนธรรมะกันคนไทยไม่ใช่อยู่ที่นี่มีอยู่ที่หลายแหง่งเราผู้น้อยไปหาผู้ผู้ที่อยู่มากให้คนน้อยไปหาคนมากมันก็ไม่ชื่นเปลือง ใช่คนมากมาหาคนน้อยมันก็ชิ้นเปลืองจึงเห็นว่าควรจะไป เ, เราต่าจะไปสอนทมที่มหาอะไรใช่ไหมเหนเขียนๆประมาณสามพันคนนะควรจะไปไหม <c oughs> จะมีคนฟังประมาณสามพันคนมันก็ควรไปนะ แม่ว่าเสียงเหมือนอย่างนี้ก็อยากจะไปอสุขภาพก็ไม่ดีก็อยากจะไปนะจะไปได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เราจะพูดได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่มีเสียงนะี่มันก็เป็นอย่างนี้ชีวิตของเราเนาะจะไปสยัยะ นีด่ดีแล้วที่พวกท่านทั้งหลายมาที่นี่เรายินดีมากมากดีใจได้มีผู้ปัญญาชนมาร่วมศึกษาดูอย่าไปโง่ให้เขาหลอกได้นะพวกเรามีปัญญาชนกันแล้วมาสัมผัสเอาเนาะมันหลงไปยังไงรู้ไปยังไงมันจะค่อยเปลี่ยนไปเรื่อยๆ อย่าปามในความหลงมันมีอยู่จริงจริงมันเราเมื่อลื่นตาขึ้นดูมันก็เห็นตาภายในของเราคือสติเนี่ยรู้ที่กายดูที่กายเอาไว้โดยเฉพาะวิชากรรมฐานรูปแบบเนี่ยมาจากพระพุทธเจ้าโดยตรงก่อนอื่นได้ เป็นพระโสตต้น ต, นตอำให้เกิดเพิ่นพระพุทธเจ้าก็รเรื่องนี้ไม่ใช่การเกิดมาจากนางสีมหามายาเป็นพระเจ้าเลยไม่ใช่เป็นประลาชบิดาคือพระเจ้าโตโทธนะไม่ใช่เกิดอยู่ที่ลมพินีวันไม่ใช่เกิดที่นั่น ก็อยู่ที่ต้นสีมหาโพธิ์แต่รู้ที่นั่นก็ไม่ใช่ที่นั่นมันอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่เนี้ยอยู่ที่จตติมองเห็นกายอยู่เนี้ยแต่อาศัยที่สีมหาโพธิ์แต่ก่อนเป็นสามัญชนเหมือนกับพวกเราเป็นทุกข์เหมือนกันมีภาระเหมือนกันจนเห็น การเกิดแก่เจ็บตายในอพระชนมายุช6หมั่นสาต็พาดกุ้งกับบินละพัดแต่ก่อนอยู่ในแต่พระราชาวังตอนน่าลาชลดชลปพาดกุ้งกับบินละพัดเห็นการเกิดการแก่การเจ็บปัญตายของมนุษย์ในเมืองนั้นเห็นสมณนะชลดใจว่าจะ าหาคำตอบเรื่องนี้ให้ได้ถ้าพระเจ้าปู่พระเจ้ายา่าพระเจ้าตาพระเจ้ายายก็ไม่มบีใครตอบได้จึงเป็นการบ้านของอโรมาโอสาธิราชคือสิท ธ, ธาเป็นผู้รับผิดชอบแล้วนี้คิดมาเป็นการบ้านมาตั้งแต่ ไปจนอายุสิบหกพรรษาจนถึงยี่สิบเก้าพรรษาได้ออกศึกษานี่เห็นว่ามันจะอาศัยเพศจำนาะที่เหมาะสมที่สุดตัดสินใจได้ว่าเรียกว่าอาศัยเพศจำนาเนี่ยออกศึกษาเจ้เวลาตั้งหกปีที <c oughs> ่จะตายแบบหลงทิดหลงทาง ไปเรียนกับอาจารย์อย่างน้อยก็ไปอุตตกาดาบทอาราดาดาบคโูคนแรกไม่พอใจไปศึกษาด้วยตนเองอยู่ที่สีมหาโพนี่ศึกษายัางไงนี่แหละสติปัฏฐานสี่กายานับปันตา ไม่ใช่สุโกโตเป็นผู้สอนเอาจากผู้ทีเจ้าพระโรมโอกูสอนมาเราก็ได้ทำมาแล้วศึกษาดูแล้วว่ามันจริงอย่างเนี้ยมันหลงไม่จริงนะอันรู้มันจริงกว่าเนี่ยจากประกาศก้องแล้วไปพบผู้ทีเจ้าประกาศเราประกาศก้องแล้วเนี่ยกายานบัญชาสติปัฏฐานเนี่ย มีสติหลงไปกำหนดก็ดิบดหลงไปสีจังวะอยู่เฉยๆมันไม่รู้มันจะลอยไปนะมีภาวะที่หลงมีภาวะที่รู้จึงเอาความรู้เป็นหลักเอาไว้หลัฐานที่ตั้งไว้ที่กายเนี่ยมีไหมกายนั่งอยู่เนี่ยมีกายไหมไอ้ชีมีไห ม, <laughs> มเหมือนกันหมดเนี่ย ไม่เกี่ยวกับเพศกับวัยผู้หญิงผู้ชายไม่เกี่ยวกับรัฐที่ในกายใดๆไม่เกี่ยวกับอายุเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเท่ากั็นแฉไม่เกี่ยวเลยเหมือนกันหมดมีกายในใจเนี่ยมันก็อยู่ตรงนี้มันรู้ก็อนเหนียวก่อนเอามือวางไว้หบงเขารู้สึกตัวเนี่ยยกมือตะแคงไว้รู้สึก ยกขึ้นโลดสึกสิบสี่จังหวะให้พอดีพอดีอย่าช้าเกินไปอย่าไวาเกินไปลำดับตั้งต้นให้ดีๆบันจงสักหน่อยการฝึกเบื้องต้นใช้ใจสักหน่อยว่าเราจะหัดเขียนหนังสือภาษาต่างๆบางทีต้องอาศัยบันทัดเขียนไปท้างล่างจดบันทัด ข้า้งบนโจดบนทัดยี่ว่าคัดลายมือเต็มบรรทัดเคยไหมพวกเราเป็นนักเรียนนะครูบอกะคัดลายมือเต็มบรรทัดมีไหมทุกคนเนี่ยฮะใครเป็นครูอาจารย์สอนไห้พีชานะให้คัดลายมือเต็มบรรทัดอีกหน่อยอาจารย์ก็บอกว่าครูบอกให้คัดลายมือครึ่งบรรทัด มันจะค่อยเจ๋งขึ้นมาใช่ไหม <laughs> อ่านออกเสียงหน้าชั้ น, อ, น, น, นอักษรพยัญชนะอักษรไทยอักษรสะกลางอักษรสองอักษรต่ออ่านออกเสียงไม่พออ่านได้ต้องเขียนได้เขียนลงไป เขียนลงไปเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปหัดแล้วมันอยู่ที่ไหนก้อไก่ขอไข่อยู่ที่ไหนเราอยู่ที่คอมพิวเตอร์ใช่ไหมจะอ่านหนังสือต้องไปดูหนังสือไหมเขียนกอไก่ถูกไหมนันอยู่ที่ไหนอ่ะดูกระดานไหมแต่ก่อนต้องดูกระดานเดี๋ยวไม่ต้องดูแล้วอยู่ไหนนะกันฝึกสติก็เมันกันนะ เบื้องต้นต้องบรรจงหัดตาไปก่อนสิบสี่จังหวะสิบสี่ลูกได้เจอโจกถินคงสอนกันแล้วนะวินาทีหนึ่งลูกทีหนึ่งเอาเจ้ายังไงนะวินาทีละลูต้องไหนก็แกงแง ก็นะดีวินาทีหนึ่งลู่ทีหนึ่งชั่วโมงหนึ่งมีกี่วินาทีฮะชั่วโมงหนึ่งกี่วินาทีฮะมันจะได้เท่าไหร่จะเป็นมหาลู่ได้ไหมนั่นเราไม่เงินหนึ่งบาทเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้มันต้องเลยร้อยได้พั น, เ, ออนเงินหมื่นเงินแสนเกิดจากเงนร้อยเงินพันเกิดจากเงินบาทเดียว อันนี้ก็มือกันมหาสติปุฏฐานเกิดจากลู่ลู่ลูล่นี่ยไปมันจะมากขึ้นมากขึ้นโวยเจ้าว่าเอาลอยทีเดียวหนึ่งวันนก็ดวันผู้ใดมีสติปัฏฐานอย่างโตเนื้องหนึ่งวันนก็ดวันจะเป็นพระญยติบุคคลตั้งแต่พระสกีทาคาเมขึ้นไปเป็นพระหลานขึ้นไป อย่างกลางหนึ่งเดือนถึงเจ็ดเดือนอา้อาวอร่อยอย่างชาติที่สุดหนึ่งปีถึงเจ็ดปีเจ้าพูดหลอกไม่ใครกล้าพิศวงเลาแน่กันนะสู้ไหมเวลามีจิตมันเกิดอะไรขึ้นสู้สักหน่อยไหมอาจจะเกิดความง่วงพอมาเกิดกง่วงแพ้หรือสู้สักหน่อยแพ้ไหมไม่เคี แค่ความงงไหมหลืมต่อไม่ขึ้นนะอ่อนได้วมดเลยมองขาที่นอนเนงะียบสักพอยก็นั่งเหงาไปจับโงกยอมให้คนเห็นไปนั่งจับประงกให้คนเห็นโอ้ยน่าอายที่สุดเลยเป็นกรรมฐานยังไงเป็นพระ ก, กรรมฐานยังไงไม่ขีกรรมฐานนลยนั่งอย่างนีง้มันน่าอายยึดมันจะปากเหงาปิดปาก เอาเลยเนะน ป, ปะิดปาให้ลมบอกหูเออโน่นนะการหน้านะหนานะต้องสู้นะไม่มีอะไรที่ได้ใช้ชนะไม่ต่อสู้ไม่มีเลยต้องต่อสู้ต้องสู้คืออะไรไม่ได้หมดเลี้ยวหมดแหลงเหงื่อไม่ไหลเวียนท่วมหลงเป็นความรู้ง่ง่า ย, ายสบายสบายยิ้มได้บางคนอันทรศชลปเลยเวลาบ่นลงอู้ไม่ชอบ ไปกันใหญ่แล้วไม่ใช่แบบนั้นปฏิบัติตามโอ้ยไม่ชอบมันทําไมวันนี้งุงงันแล้วกันคิดนะไปใหญ่แล้วดับเบิ้ลหลงไปแล้วพอหลงยิมยิ้มหัวโลละชื่นใจเห็นมันผิดเห็นแล้วรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วชื่นใย เงินลงต่อเป็นโรคมะเร็งก็เนิ่นตัวเร็วหมอต้องตรวจสอบสกายไฟลงไปในไปหาก็ไม่เจอไปหาตรงไหนก็ไม่เจอเอกเรย์ก็ไม่เจอเลยมาตัดเอาคอนตัดเอกก็ตไ๊ไปนไปตรวจไปตรวจแป๊บเดียวไม่นานสับแล้ว ก้อนเนื้อโตเร็วมนืหลงก้อนเนื้อโตเร็วพอรู้จักรับเอาอะไรฮะมันก็เร็วจริงจนะมันก็ตันเข้าตันเข้าตันหายใจยย <c oughs> ไม่ได้เลยกึ๊เป็นนั้นตี้ยฮะต้องอซี่าเฮ้ยสนุกนะทุกไหมไม่ทุกเห็นเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นอะไรเห็นการเก็บ เจ็บเป็นทุกไหมไม่ทกเป็นผู้เจ็บหรือเห็นมันเจ็บก็เน่าตะบอนปวดท้องอย่างหนักนะมีไหมใครปวดท้องก็เนื้อตัวเร็วในตับมีไหมหลงตานี่ก็เน่าโตเร็วในตับปวดท้องอย่างหนักเลยรล้มหลงไปยิ้มบะจะไม้จับลุกไม่เป็นไรไม่เป็นไรยิ้มได้นะที่เจ็บท่อเนาะ เพราะอะไรเห็นมันเจ็บไม่ใช่เป็นผู้เจ็บไม่ร้องเลยโอ้ยโอยไม่ไม่ร้องมันยี้มยมภายในอะเห็นมันเจ็บไม่ใช่เป็นผู้เจ็บเท่าสนุกป่วยไปเลยคนมาถามมาสนุกป่วยเกือบสองปีนะเคยพูดนะเคยพูดนะนอนโยงโรงพยานจิเลาเกือบสองปี ใครมาถามก็สนุกวกยเหมนคนมาดูเราน้าตาล่วงเอายมเป็นบ้ากันแล้วมาลองให้กับคนไม่มีทุกข์หรอกนะจริงจริงนะจริงจริงนะเพราะอะไรเคยผ่านสนามความเก็บความตายมาแล้วเขามาถามมันดีอย่างนี้นะจากอะไรอะ่ะไม่จะเลียนเทไหนไม่มีมหาเรงหวนท่าน เหรียญจากกาจากใจเนี่ยเอากายเป็นตำลาเอาใจเป็นตำลาเนี่ยตาสีตาสาเหรียนจบแค่สามชั้นเหรียญปหนึ่งปสองปสี่เลยปสามไม่เรียนละข้ามชั้นไปเลยสมัยก่อนเนาะทาสีตาสาตะเคียดตะก๋ า, กายไปกลัว บ, บาปจยากได้บุ โยกจะไม่รู้จักศากษาพูดศาสษารู้จักแต่พิธีรีตองเลียนมาจนเป็นหมอทำเอาว่าอะไรดีก็เลียนเราเลียนเราแต่ยังมีกิเลสตัณามีความโกรธความทุกข์อเนี่ย <c oughs> ไป้ไปศึกษาถ้าไปถ้าไปก็หาหลวงพ่อเทียนนั่ ง, งนะไปห้าร้อย เก้านอนเท่าไหร่รเป็นอายุยังไม่ถึงสามสปีเลยจำไปเดือนนิดหน่อยนะได้ไปศึกษาเรื่องในกรรมกรรมฐานแบบนี้ไม่เคยไม่เคยสอนเลยให้รู้สึกตัวนอ้ยเราเคยฝึกแต่แบบนั่งสงบโก้ดีใช่ไหม นั่งสงบเนี่ยโอ้ยกอดีกอใจหลงหลงอยู่ดีตั้งแต่อายุสิบปีถึงเกือบสามสิบปีหลงอยู่กับความสงบแล้วหลังวัที่อันตรายยกมาเนยยกไปยกมายกไปยกมาป๊บลงมานี่จบไปเลยเนี่ยนั่งเนี่ยโ้เท่าคนหนังมานั่งอยู่ด้วยกันเดินจงกรมใกล้ มาเรียบฉันโดนหลับนั่งอยู่นั่นแหละตายอยู่นั่นแหละมอยุบมองช่างจะว่าก็ตายอยู่ความสงบปัญหาตื่นตอนยุบก็ช่างก็อะก็ดึงตัวนี้ก็ม า, าเสียเวลาจริงนานนะนั่นแหนะอย่าไปหลงนะฝึกมาแบบไหนก็ช่างเถอะมันก็มีสติ <c oughs> มันสมาธิแบบสงบไม่ใช่ ต้องมีความรู้ทุกตัวนะเนี่ยตั้งไปจากไหนไปเริ่มต้นไปเริ่มต้นไปสิบสี่รู้แต่รู้วินาทีหนึ่งรู้ทีหนึงเขายอมฝึกหัดให้บรรับปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บไปเดินจง ก, กรมก็ปับเวลาในหลวงตาก็เดินจง ก, กร ม, มอ๋อเลยทีเดียวอายุเจ็ดสิบสี่ปีวินาทีละสองเก้าได้ไหม ได้ชูมองห น, น, น, นึ่งเนี่ยหลงตาองค์เนี่ยไม่ใช่คุยนะ <c oughs> นไปดูก็ได้ชักหน่อยจะไปเดินยังกรมอยู่นูนนน่นตายเหม็นโค้งน่พยายามให้ได้วินาทีละสองข้าวแข่งแขนด้วยนะมันเป็นโรค ล, ลยายอาศัยความแขงแขนด้วยได้วิชาแขงแขนตั้งแต่อยู่ลรงไปบาน หนึ่งก็มีความดันถ้าไปเดินจมความแขงแขนความดันลดลงบุปุปปุบไมีไหมใครเป็นโลคความดันนะยาไปอ่อนแด น, นะแจงแขงนนะเนี่ยโอ้ยรอดมาได้หนึ่งหอดีสองยาดีสามกรรมฐ า, านอย่าเลื่มนะกรรมฐ า, านนะอา ไปทุกข์ทำไมเห็นมันเห็นมันคิดไม่ใช่เป็นผู้คิดเห็นมันหลงไม่ใช่เป็นผู้หลงนี่ตัวรูปเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่หน้าบูดน่าเบื่อหนะเวลามันทุกข์เป็นความยิ้มเห็นมันทุกข์โอ้ยเห็นมันทุกข์เห็นมันหลงมันก็เป็นเรื่องดีเห็นอริยสัจคือความจริงความจริงมาอยู่ที่นี่ไม่ใช่เห็นเขาทาสีทาสา ต่งหน้าแต่งตามันเห็นในตัวเราไม่หลอกตัวเราไม่ได้คนอื่นได้จะหลอกเอาไปหลอกคนอื่นได้อาจจะหลอกตัวเองไม่ได้ตัวเองเป็นอย่างไรมันหลอกไม่ได้นี่กรรมาฐานมันจริงขนาดนี้เห็นเดชะคือของกิงอันประเสิดมันเริ่มไปจากความหลงนะ่ะเอรามัหลงรู้ขึ้นมามันสมนำหน้ามัน มันก็โยงมากันเราไล่หลอกสอบลำหน้ามันบินเต๋วไปนอนมันหลงเคยขึ้นมารู้จึกตัวหน่อโอ้มันเคยเหยื่อตรงไหนเราอยากให้มันหลงมันก็ไม่หลงยอมคิดให้มันคิดไปดูเคยสุขเคยสนุกนะมันบังคับตัวเองค่มขืนตัวเองมันไม่ไปไม่ถูกต้องค่มขืนมันโกรธสักหน่อยได้ไหมนี่ข่มขืนรักสักหน่อยได้ไหม เห็นชาวสาวๆสวยๆรักแค่ไหนบางครั้มันแล้วมันก็ไม่เอามันขมเขินตัวมันไม่เอาเพราะมันรู้มันถูกต้องโดยจุดไม่เป็นไรถูกต้องกว่าจะให้ความรักคิ้วไปใช้ความสุขคิ้วไปไปเอาใช้ความทุกข์คิ้วไปไม่เอาอยู่ตรงเนี้เดี๋ยเรียกว่าฐานคลจะมีอย่างนี้กันทุกคนถ้าเราไม่มีฐานอย่างนี้ตัวเราก็พึ่งตัวเราไม่ได้ มีใจก็เบิงใจไม่ได้ไม่มั่นใจตัวเองคล่มร้อยคล่มดีผูผูแพบแผลกงคืนเป็นขวนกลางวันเป็นเปลวกลางคืนก็ว่าวฝันกลางวันก็ว่าคิดไหลไปเต็นไม่มีฐานมีที่ตัง้งเหมือนจอกโอนเอไม่ได้มาฝึกกันนะเนี่ยอาจารย์ทรงศีลอาจารย์หลายรู เป็นกรรมฐานแม่ไก่คอยดูแลกันหลงตาก็ไปได้แ้วแบบแะ้รเลยมันอ่อนแอลงไปเรื่อยๆดีแต่พูดตอนเช้าตอนเย็นก็พูดไม่ออกแล้วไม่มีเสียงแล้วเท่านี่ยก็พอนะว่า น, นี่เนาะพอไหมพูดมากก็ไม่ค่อยดีนะแนะนำท่วมทุ่งเดี๋ยวจะไปอ่า พอใจกับคนนั้นพูดไม่พอใจกับค น, นพูดไม่ได้ใครจะไหวไงก็ฟังไปนะอย่าม่เชื่อของตาเอาไปทำดูก่อนนะสังเกตเวลากับพร้อมกัน